นั้นไม่ได้ที่อยากมันั่นมันเป็นทุกข์ยังจะอยากได้มันมีมากขึ้นอยากให้มันมีคงอยู่ตลอดไปหรือแม้กระทั่งว่าไม่อยากก็ทุกข์ทุกข์ if you seek you will find ถ้าคุณหาคุณจะเจอเมื่อคุณหาทุกข์คุณมองหาทุกข์คุณจะเห็นแต่คุณไม่ต้องกลัวว่าใจิตใจของคุณจะบีบเค้นแตกร้าว ขอแค่คุณมองทุกในภาวะความสงบตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปคือภาวะที่ใจพร้อมมองไม่ใช่มองตอนคุณซึมเศร้าไม่ใช่มองตอนคุณเครียด ม, มากๆหวังว่าห้องนี้คงไม่มีใครซึมเศร้ามีคนที่เครียดเข้ามามากจนไม่พร้อมจะมองทุกนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่อยู่กับผมมานานแล้วมากกว่าห้าสิบคนพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้มีใจเข้มแข็งพอที่จะกล้ามองตรงๆ ส่วนท่านเดินที่ไม่เคยอยู่กับผมมาไม่เคยรู้หรือฟังแค่ในยูทูบผมแล้วเห็นมันเป็นไปในแนวทางที่มีความสุขมีความสุขอย่างเดียวแล้วมองทุกละเครียดขอให้ออกจากห้องนี้นะครับผมไม่รับคนไข้สิ้นเศร้าก็ บ, บําบัดเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เดีย๋ยวจะว่ามีอะไรก็ทุกขกูตายดีกว่าไม่ใช่เราจะศาสนาไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้พาไปอย่างนั้นนะครับนะเอาไปกันเป็นตามขั้นตอน เร่งทำสมถาซะเร่งสุดมนอดอาหารเย็นอดอาหารได้ก็อดก็ะดิทอกนะครับมันทำความสงบบ่อยๆมันทำตามเจ็ดข้อหลักที่อยู่ในโน้นที่ทำให้ทาไปสักพักส่วนคนที่ทำมาสักพักใหญ่แล้วสองเดือนแล้วนะครับสาหรับห้องซิกเตหนเ่งฝึกการรู้ข้างนอกส่งจิตออกไปดูข้างนอกจนเก่ ง, เ ห, งเห็นนั่นเห็นนี่มาหมดเลย ตอนนี้ไม่ให้ไปไล่ดูข้างนอกไม่ให้ไปดูข้างนอกให้กลับมาดูที่เรื่องทุกอย่างเดียวและทุกข์ของใจตัวเองเท่านั้นและก็ยังอยู่ในโปรแก ร, รมของการทั้งเจ็ดประการอย่างเข้มเข้มข้นอยู่นะครับฮะ